ากาลครั้งหนึ่งในที่ที่มีชื่อว่าเสริมีชายขายหม้อกระทะและของกระจุกกระจิกของผู้หญิงพวกเขาขายของแบบเดียวกันพวกเขาสงสัยว่าพวกเขาจะขายยังไงให้ได้เงินในหมู่บ้านเดียวกันโอ้ซันดาเราจะขายของอย่างเดียวกันกับคนคนเดียวกันได้อย่างไง ถ้าเขาซื้อจากนายแล้วเขาจะซื้อจากฉันอีกทําไมเล่าจริงหรือเปล่าผมขอรบกวนหน่อยได้ไหมผมคิดออกแล้วทําไมถึงไม่แบ่งเมือง น, นี้ครึ่งหนึ่งละ่ะคุณไปขายของที่อีกฝั่งนึงและคุณก็ไปขายที่อีกฝั่งเมื่อนคนใดคนหนึ่งขายของอีกฝั่งหนึ่งเสร็จอีกคนก็สามารถไปขายของอีกฝั่งหนึ่งได้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยขอบคุณมากนะ ่ชวยเือเรแล้วมาฮาสกับซันดาก็เริ่มแยกเส้นทางกันและเริ่มเรียกชาวบ้านมอแ ล, ละลกระทอหมอและกระทะมาเอาเครือระดับสวยๆไปเร็วไม่ไกลมากนักเด็กผู้หญิงได้ยินคนขายตะโกนแล้ววิ่งเข้าไปข้างในเพื่อเรียกยายของเธอยายคะ มีคนขายเครื่องประดับกระจุมกระจิมนะหนูอยากได้ซ้อยคอซื้อให้หนูหนึ่งเส้นหน่อยนะโอ้หลานยายก็อยากจะซื้อให้แต่เราไม่มีเงินเราจะซื้อมันได้อย่างไร เ, ออเราขายแานนี้เพื่อที่จะซื้อซ้อยคอได้ไหมคะโอ้ตอนนี้นะหรอนี่มันเต็มไปด้วยฝุ่น ใครจะยอมแลกกับสร้อยละ่ะฮะอา้าลองดูก่อนนะคะยายได้ปรดอ๋อก็ได้เรามาลองดูกอนทันใดนั้นมาฮาสก็เข้าใกล้บ้านเด็กหญิงค่ะทางนี้หดู๋ยอยากได้ซ่อยค่ะมาฮาสเห็นเสื้อผ้าที่ฉีกขาดของเด็กหญิงเขาก็ไม่สนใจเธอ อย่าทำให้ฉันเสียเวลานะเด็กน้อยเธอซื้อของพวกนี้ไม่ได้หรอกแต่คุณต้องบอกราชาหนูก่อนใช่ไหมล่ะฮะโอเคเซเรียนเอาเงินมาให้ฉันแล้วก็เอาสร้อยคอไปอา่าเซเรียนเหรออา่าเราขอโทษจริงๆเราไม่มีเงินให้คุณหรอกแต่ ถ้าคุณเข้ามาข้างในฉันสามารถแลกเปลี่ยนบางอย่างกับคุณได้อืมก็ได้แต่เร็วๆนะฉันต้องรีบไปขายของพวกนี้ให้คนที่มีเงินซื้อมันบ้านนั้นอยู่ในสภาพที่แย่มากผนังแตกหลังคารั่วแล้วก็ยังมีหนูอยู่วิ่งเต็มไปหมดอะไรนี่ พวกเขาจนมากเลยและเขาจะเสนออะไรให้ฉันได้หนูเงั้เหรอเออคุณฉันมีแค่จานติดขี้เท่านี้ที่จะให้หลานฉันน่อยากได้ส่อยคอจริงๆได้โปรดรับเอาไว้เถอะโอ้สิ่งหน้ากเกลียดดำๆนี่ละ่ะฝุ่นมันก็แค่ไหนเนี่ยไหนลองถูดูสิฉันหวังว่ามันคงมีค่าเท่ากับทองแดงนะมาฮัสถูจาน ฝนที่เกาะในจานเริ่มออกมาและเริ่มสว่างขึ้นอ๋ออะไรกันเนี่ยมันคือจานทองปีอะไรเหรอมีอะไรผิดปกติไหมคุณซื้อได้ไหมมหัาสเป็นคนโลภเขาคิดกับตัวเองนี่มันทองล้วนๆ น, น่าจะมีค่าเป็นร้อยเป็นพันฉันควรจะรีบไปและกลับมาที่หลัง พวกเขาจะถูกหลอกให้เชื่อ ว, ว่าจานไม่มีค่าและจะให้ฉันมาฟรีๆ <c oughs> อ, อืโอ้ฉันแค่สงสัยว่ากูให้จานที่ไม่มีค่านี่ให้ฉันได้ยังไงนี่มันไม่มีค่าอะไรเลยทำไมตกร้ารมาหลงนะโ อ, โอ้ได้โปรดอย่าพูดแบบนั้น มันจะทำร้ายจิตใจหลานสาวของฉันคุณช่วยหาทางที่จะให้สร้อยคอฉันหนึ่งเส้นได้ไหมสร้อยคอหนึ่งเส้นฉันไม่สามารถให้ได้แม้แต่สร้อยคอครึ่งเส้นนะคุณทําฉันเสียเวลาฉันจัะไปแล้วล่ะข้าเป็นชายที่หยาบคายหนูไม่อยากได้อะไรแล้วมาฮัสหายไปในตลาดสันดามาที่เดียวกับมาฮัส เพื่อที่จะลองขายของหม้อกระทะและเครื่องประดับหม้อกระทะและเครื่องประดับเอา้าสวัสดีเด็กน้อยอยากจะซื้ออะไรไหมแต่ไม่มีเงินพอที่จะซื้ออะไรจากคุณโอ้หนูต้องมีสิอย่าเศร้าไปเลยมาดูกันว่าหนูมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะเอามาแลกกันยังไงเล่า ตกลงไหมอ๋โอเคหนูอยากได้ซอยแต่ว่าหนูไม่อยากได้มาแบบฟรีๆโดยมีจานเก่าที่จะให้คุณได้คุณอยากได้ไหมล่ะคะ <c oughs> แน่นอนไม่งั้นเราจะแลกเปลี่ยนขอกันได้ยังไงอาฉันไม่รู้มันจะใช้อะไรได้ไหมแต่ว่าจานนี้ซันดารู้ว่าจานมีค่าไม่มากนักแต่เขาเป็นคนใจกว้างแล้วก็ซื่อสัตย์ เขาไม่อยากจะทำร้ายจิตใจของเด็กผู้หญิงเขาตัดสินใจที่จะแลกสร้อยคอกับจานเก่าเพื่อจะทำการค้าให้เหมือนจริงเขาจึงตัดสินใจที่จะดูจานก่อนอื ม, อมโอเคให้ชั้นถูเอากี้เท่านี้ออกก่อนนะอะไรเนี่ยนี่มันจานทองคุณผู้หญิงนี่มันมีค่ามากกว่าทุกอย่างที่ฉันมีอีกนะมีค่าเป็นพันเลย ฉันไม่มีเงินพอที่จะซื้อมันหรอกโอ้จริงเหรอฉันเป็นผู้หญิงแก่ฉันไม่รู้เรื่องเงินคุณดูเหมือนจะเป็นคนซื่อสัตว์แล้วก็ใจดีทำไมคุณไม่เอานี่ไปแล้วก็ให้สร้อยคอหลานฉันล่ะสร้อยคอเส้นเดียวเหรอคุณสามารถได้สร้อยคอเป็นพันเส้นเลยนะเอ้อเดี๋ยวก่อนผมสามารถให้หมอกระทะและเครื่องประดับรวมถึงเงินทั้งหมดที่มี เพ่อไลกับจานนี้แต่ว่าได้โปรดให้ผมได้เก็บสัก8ปเหรียญเอาไว้เพื่อจะข้ามฟังและก็การทรงตัวเพื่อที่จะถือจานทองนี้ยายมีความสุขมากตอนนี้ยายมีหม้อและจานอยู่เต็มไปหมดรวมถึงหลานสาวก็ได้เครื่องประดับสวยๆพวกเขาโบกมือลาสันดาอย่างมีความสุขสันดามีความสุขมากที่เขาจะได้จานทอง เขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปไม่ไกลมากนะักมาฮัสก็คิดแบบเดียวกันแต่เขาไม่รู้ว่าฝันของเขาได้หายไปแล้วทองทองฉันกำลังจะรวยฉันแน่ใจมากว่ายิงแก่คนนั้นไม่มีความหวงังแล้วเธอจะต้องรีบให้จานทองนั้นฟรีๆนี่เป็นการขายที่ฉลาดมาก ฉันรู้พวกเธอรอฉันอยู่ข้างนอกใช่ไหมฮมึโอเคฉันเปลี่ยนใจละฉันไม่อยากเห็นเด็กหญิงเศร้าฉันจะซื้อทองเองอไม่ถึงอัอจานดำหน้าเกลียดนั่นแต่ว่าฉันไม่สามารถให้สร้อยทองเธอได้นะให้ฉันคิดก่อนคิดอะไรล่ะคะคุณเราไม่ต้องการอะไรจากคุณแล้ว เราเนะี่ยได้ขายจานทองให้กับชายฉลาดและซื่อสัตย์ไปเรียบร้อยแล้วอะไรนะที่ไหนยังไงเนี่ยแล้วคล้ายกันคุณมันหยาบคายแล้วตอนนี้คุณก็มาช้าเกินไปเขาให้เราทุกอย่างยกเว้นแปดเหรียญแล้วก็ความสามารถในการสร้างตัวของเขาป่านี้ก็ขาคงข้าวฝั่งไปเรียบร้อยแล้วล่ะอะไรนะไม่เออเงินของท่น เด็กผู้หญิงพูดถูกมหัสมาช้าเกินไปสันดาได้ข้ามแม่น้ำไปเรียบร้อยแล้วมหัสแสดงความไม่สบายใจออกมาด้วยการกระโดดขึ้นลงและบอกไม้บอกมือในอากาศเขาโกรธสันดามากเขาตะโกนแต่สันดาก็ไกลเกินกว่าที่จะได้ยินคําต่างๆกลับมานี่ก่อน นั่นมาต้องเป็นเงินของฉันโอ้นั่นมาฮาสนี่เขากระโดดด้วยความตื่นเต้นเขาบอกมือให้ฉันด้วยบางทีก็อาจรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดูสิเขาดีใจกับฉันมากแค่ไหนเฮ้ขอบคุณมากนะฉันเองก็ดีใจลาก่อนนะ เหมือนองน <c oughs> สันดาจากไปแล้วและมหัสนั่งลงเสียใจกับการกระทําของตัวเองถ้าหากเพียงเขาไม่เห็นแก่ได้จานทองก็คงจะตกเป็นของเขาจำเอาไว้ว่าคนเราควรที่จะซื่อสัตย์